อวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระปัจญจิยานุโลมจบสหชาตาวาลจบในมือเล็บที่เป็นปฏิจจวาลได้แก่สหชาตาวาลที่เป็นสหชาตาวานได้แก่ปฏิจจวาล 1. กุศลติกะ 3. ปัจจวา 1. ปัจจัา น, นจจานุโลม 1. วิพังควาล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 ได้แก่ขันที่เป็นอกุศลรรหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นส4 6สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากริให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ขันที่เป็นอัพยากตวิบากและได้เป็นอภยากตกิริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทมสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิดให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและถ่ายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปฏิปัจจัย253สาภาวธรรมที่เป็นกุศลทมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ทาขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามาระ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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยการกิริธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยการตวิบากและที่เป็นอัพยการตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์สองทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัย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 สภาวธรรม ท, ที่เป็นกุศลรมสภาวธรรม ท, ที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปบยุทธตปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปบยุทธตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรตทธทมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุทธตปัจจัยได้แก่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 ทำรรหัตถายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำรรหัตถายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริชให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลทำหัตถายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัตถายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัย